การหาบุญได้และใช้บุญเป็นซึ่งเป็นตอนที่สองต่อจากข่าวที่แล้วที่อาตมานำเสนอดยูดสู่ท่านสาธุชนเนื้อหาสาระที่พระเดศพระคุณหลวงพอ่อกําลังบรรยายอยู่นั้นกําลังเป็นที่น่าสนใจจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในการไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกท่านมาตั้งใจเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของการบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุในทางพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสแสดงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้แก่สาธุชนผู้สนใจไฝ่บุญเพื่อที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันของเราให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจทุกท่านมาสดับรับฟังพร้อมกัน รู้จักหาบุญได้เป็นอย่างไรจำเพาะในส่วนของทานกุศลเรามาพูดจุดนี้ซะก่อนทานกุศลนั้นประกอบด้วยบุญกุศลที่เราบริจาคที่เราเสียสละออกไปในสองประการใหญ่ๆประการที่หนึ่งคือบริจาคหรือเสียสละ ทรัพย์สินความสุขส่วนตนเวลาสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นสละคาออกจากใจนี้ชื่อว่าอามิสสถานอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติที่เป็นบาปอากุศลหรือเป็นความชั่วที่มีอยู่ในสันดานแล้วก็ดีที่ยังไม่มี แต่อาจจะมีขึ้นก็ดีเราเสียสละออกไปและป้องกันไม่ให้เกิดอีกอันนี้ชื่อว่าธรรมทานธรรมทานนั่นเป็นการเสียสละกิเลสออกไปซึ่งเสียสละได้ในสองสามวิธีใหญ่ๆวิธีที่หนึ่งคือปฏิบัติตนเองด้วยทานกุศล เสียสละความสุขส่วนตนทรัพย์สินแม้ชีวิตเลือดเนื้อร่างกายสติปัญญาความรู้ความสามารถให้ผู้อื่นที่ชื่อว่าอามิสฉาเนนนั่นแหละอย่างหนึ่งศีลกุศล ส, สากายวาจาใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษแก่ผู้ใดทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นนี้อีกอย่างหนึ่งภาวนากุศลทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธ และเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงและสัจธรรมในพระพุทธศาสนาคือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะนี่เป็นทางมรรคผลนิพพานนี้อีกอย่างหนึง่งรวมเรียกว่าธรรมะปฏิบัตินั่นเองเครื่องกำจัด ก, กิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย คือให้ทั้งอมิตรทานและยังปฏิบัติกำจัดขัดเกลากิเลสตัวเองอีกด้วยและสนับสนุนนี่อันนี้สำคัญสนับสนุนชักนำเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในการกระทำความดีเช่นท่านทั้งหลายมาบำรุงมาสนับสนุนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ในโครงการของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและการสนับสนุนนี้ยิ่งมีประโยชน์คือคณะผู้บริหารยิ่งมีทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกว้างขวางขึ้นไปเพียงใดละเอียดลึกซึ่งและสูงขึ้นไปเท่าไหร่ผลย่อมตอบแทนมาถึงท่านให้ได้รับผลเป็นวีบากสูงขึ้นเพียงนั้น นี่เรียกว่าสนับสนุนให้ทำเป็นทานอย่างเช่นท่านทั้งหลายกำลังจะไปร่วมบุญกุศลทอดท้าพระกถินที่สถาบันโดยเสด็จพระกุศลกับพระวรชัยาอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าสนับสนุนอีกประการหนึ่งชักนำ ชักนำตั้งแต่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรผู้มีอุปการะคุณและเพื่อนทั้งหลายผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้มีศรัทธาในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วให้มีศรัทธายิ่งขึ้นนี่ปฏิบัติเองหนึ่งสนับสนุนหนึ่งแนะนําชักนําผู้อื่นหนึ่ง เป็นธรรมทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชักนำทิวานทำกับพ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณครูบาอาจารย์ที่ยังไม่มีศรัทธาให้ศรัทธาโดยถูกต้องที่มีศรัทธาอยู่แล้วให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความกตันยูกะตะเวทิตาทำอย่างเยี่ยมยอด บุรพาาจารย์บางท่านได้แสดงถึงว่ายิ่งกว่าการให้อามิสทานหรือบูชาท่านผู้มีพระคุณด้วยอามิสทานซะอีกซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะนั้นจะเป็นสเบียงเลี้ยงตนแก่ผู้มีอุปการะคุณแก่เราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยและประการที่สามของธรรมทาน อ, อ้ประการที่สี่ของธรรมทานนั้นคือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในทางความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจที่สะอาดบริสุทธิ์และปราณียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่อันนี้สำคัญผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีด้วยประการใดก็ตามชื่อว่าเป็นผู้แจกธรรมส่วนผู้ที่ปฏิบัติดี ด้วยกายวาจาใจจึงชื่อว่าผู้แจกธรรมะนี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนี้ว่าด้วยทานกุศลประเภทธรรมทานทีนี้ทานกุศลประเภทอมิตรทานรู้จักหาบุญเป็นทำอย่างไรประการแรกพึงเข้าใจพึงพิจารณาว่าบุญจะปรากฏ อย่างสะอาดบริสุทธิ์และให้ผลอย่างรุ่งเรืองสมบูรณ์ที่สุดขึ้นอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยเหตุปัจจัยอยู่ที่ไหนเหตุปัจจัยอยู่ที่หนึ่งผู้ให้คือทายกสองผู้รับปฏิคาหกจะเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลก็แล้วแต่สามทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เราให้ ถ้าหากว่าบริสุทธิ์ในสามฝ่ายนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าทานกุศลนั้นมีความบริสุทธิ์ในสามฝ่ายฝ่ายผู้ให้ฝ่ายผู้รับและสิ่งที่ให้ความบริสุทธิ์ของทานกุศลประเภทนี้นี้เองที่ให้ผล เป็นความเจริญยุ่งรุ่งเรืองและสันติสุขสะท้อนย้อนกลับเป็นพละวะปัจจัยสะท้อนย้อนกลับมาสู่ผู้ให้เป็นทับทุยนับพบนับชาติไม่ถวนติดตามให้ผลจนกว่าจะได้บรรลุถึงมรรคผล น, ผนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกนั้นทีนี้เมื่อเข้าใจเหตุอย่างนี้มาพิจารณารายละเอียดสักนิดผู้ให้เรา ผูใดต้องการบำเพ็ญบารมีให้เจริญรุ่งเรืองต้องทำเองและให้เองอยู่เฉยๆจะให้มีบุญบารมีขึ้นมานั้นย่อมไม่ได้อุปมาดังอาหารใครกินใครก็อิ่มไม่กินก็ไม่อิ่มบารมีของผู้มีบารมีก็เพราะเขาได้สร้างบารมี ถ้าไม่สร้างยังจดจดจ้องจ้องอยู่บุญบา ร, รมีก็ไม่เกิดกับเราเพราะฉะนั้นบุญบา ร, รมีจึงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นในฝ่ายตัวเราและด้วยตัวเราเป็นสําคัญสร้างบา ร, รมีนั้นมีทั้งทําเองมีทั้งให้ทําเป็นทานคือชักนําผู้อื่นเข้ามาด้วยจึงจะ ทรงผลให้เต็มที่และสมบูรณ์ว่าเราได้ประกอบบาเพ็ญทั้งอามิจฐานและธรรมทานกล่าวคือเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาเพื่อให้เจตนาความคิดอ่านทั้งหลายบริสุทธิ์และรู้สิ่งที่เป็นสาระและสิ่งที่ไม่ใช่สาระเมื่อเราจะให้จึงต้องบริสุทธิ์ที่เจตนา แหละบริสุทธิ์ที่กายวาจาใจใจนั่นบริสุทธิ์ที่ปัญญาอีกด้วยซึ่งเป็นอาการของบัณฑิตพระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่าการทำบุญจริงๆแล้วท่านสันเริญผู้ที่รู้จักวิธีการทำบุญให้ปรากฏผลบุญที่บริสุทธิ์และ ให้ผลบุญนั้นส่งมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดสเสมือนหนึ่งการปลูกต้นไม้ที่จะให้ผลดลกรดดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเพราะฉะนั้นฝ่ายผู้ที่จะให้ต้องทำตนให้บริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญา ว่าถ้าเราทำบุญกับบุคคลที่ไม่ควรให้และไม่ให้ไม่ทำบุญที่คนควรให้หรือคณะบุคคลที่ควรให้เวลามีอันตรายแล้วไม่มีสหายที่จริงใจจะมาช่วยเกื้อหนุนเรา นี่เป็นคำพูดของพระเป็นพระพุทธวจนะในลักษณะนี้ซึ่งอาตมาไม่กล่าวตามคำทุกถ้อยทุกคำแต่กล่าวเนื้อความว่าผู้ทำบุญหรือให้ทานกับบุคคลที่ไม่ควรให้แต่ไม่ทำกับบุคคลที่ควรให้ผู้นั้นเวลามีอันตรายจะไร้สหายที่พึ่งอันประเสริฐ นี่เป็นความหมายอย่างนี้แต่ถ้าผู้ที่รู้จักทำบุญกับคนที่ควรทำหรือคณะบุคคลที่ควรทำไม่จำต้องทำในบุคคลหรือคณะที่ไม่ควรทำเวลามีอันตรายแล้วผู้ที่ทำถูกต้อง คือทำกับบุคคลที่ควรทำไม่จำเป็นต้องทำกับบุคคลที่ไม่ควรทำย่อมได้สหายอันประเสริฐแต่ถ้าทำผิดคือให้ทานกับบุคคลที่ไม่ควรให้และไม่ให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ควรให้เวลามีอันตรายไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐเข้าใจนะจุดนี้นะอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ บางท่านอาจจะเข้าใจว่าเออถ้าอย่างนั้นท่านก็ให้เลือกทำบุญสิหรือให้ทานสิฟังให้ดีตรงนี้เพระเดี๋ยวจะเข้าใจค่อยๆขึ้นชื่อว่าทานให้แกสรรพสัพตว์ใดก็ตามย่อมได้ผลเป็นบุญทางสิ้นแต่ผลที่ได้มานั้นจะเป็นผลที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นไปแต่ในทางดี เสมอไปนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเช่นผู้ที่ทําทานกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นทานชนหรือมีจิตใจที่เป็นทะเป็นทานหรือคำว่าพานนี่หมายถึงอ่อนที่สติปัญญาก็ได้แก่ผู้กระพุิผิดศีลทุศีลเป็นต้นแม้ผลจะ ส่งมาให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองในพภคขยะรัพย์แต่พภคขยะรัพย์นั้นเมื่อได้รับเข้ามาแล้วกลายเป็นโภคขยะรัพย์ที่นำมาเพื่อความเดือดร้อนประหัตประหารกันอย่างเช่นท่านทั้งหลายคงจะได้ยินประเทศในตะวันออกกลางมีทรัพยากรน้ำมันมากร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี แต่ไม่ได้อยู่ดีมีสุขอรบราฆ่าฟันกันไม่หยุดหย่อนนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นได้ในคำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าทําบุญแล้วจะไม่ได้พุ่นบุญนะบุญได้แต่ได้บุญที่คละคล้าด้วยผลบาปของบุคคลผู้รับคือปฏิฆาหกให้มาเป็นผลทรัพยากรที่กลับกลายมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง เพราะฉะนั้นการทำบุญจึงต้องเลือกเลือกพอสมควรสำหรับเรามีทรัพยากรน้อยเพราะว่าการทำบุญกับใครกับคณะบุคคลใดย่อมได้รับหรือไปเสวยบุญร่วมกันกับบุคคลนั้นแหละคณะนั้นถ้าบุคคลนั้นเป็นคนทุศีลเป็นคนไม่จริงใจหรือคณะบุคคลนั้นทำงานในสิ่งที่ไร้สาระ หรือทำงานไปในทางที่ประกอบด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานผลที่ออกมาก็ไปเสวยผลบุญจากทานกุศลเช่นนั้นและผลบุญนั้นก็จะกลับกลายหรือนำให้ไปเป็นมิจฉาทิฐิและถึงลบลาข้าพันกันได้หรือห่างไกลต่อพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า ทำให้การดำเนินชีวิตและบําเพ็ญบารมีนั้นเนิ่นออกไปกว่าที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้โดยทางตรงง่ายลัดก็จะเนิ่นออกไปนี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสแสดงความจริงข้อนี้ไว้แต่ถิงเข้าใจนะว่าทำทานไม่ว่าจะสัตว์ดิราชานบุคคลทานหรือบัณฑิต ผลของทานย่อมส่งแต่ทรงในลักษณะใดก็อยังดังที่ยกตัวอย่างไว้ให้แต่ถ้าทำบุญกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่กำลังประพฤติปฏิบัติที่สะอาดบริสุทธิ์ให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปและยังช่วยให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติที่ดีหรืออีกในหนึ่งการสร้างพระในใจคน แล้วก็สร้างแม่พิมพ์เพื่อให้สร้างพระในใจคนยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นี้เป็นตัวอย่างไม่ใช่หมายเฉพาะแต่สถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเป็นเพียงตัวอย่างที่ยกที่ไหนก็ได้ที่เขาทำดีอย่างนี้ที่ไหนก็ได้ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ผลบุญเนี่ยจะได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและจะเป็นพร ะ, ระปัใจจัยให้ถึงนิพพานสมบัติได้ตรง ประกอบด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบทั้งฝ่ายปฏิทั้งฝ่ายทา ย, ยกผู้ให้เห็นว่าการทำบุญไปนี้เป็นสาระประโยชน์จริงๆและฝ่ายปฏิคาหัวกซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบบำเพ็ญคุณความดีสร้างแม่พิมพ์ที่จะให้ไปสั่งสอนชักนำและปฏิบัติตนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทับถุย ผลอย่างนี้มีสูงมีมากและเป็นไปตรงยังมรรคผลนิพพานไม่อ้อมค้อมเพราะคนเรานี่มันจะดีจะชั่วอยู่ที่ปัญญาที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กายวาจาใจจะเกิดขึ้นด้วยปัญญาบริสุทธิ์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสัมมาสมาธิ ศีลและทานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นฝึงเข้าใจอย่างนี้นี่ผู้ที่เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าบัณฑิตผู้รู้จักประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์อนาคตและชื่อว่าผู้รู้จักหาบุญเป็นหาบุญเป็น หรือหาบุญได้และทีนี้ใช้บุญเป็นเป็นยังไงใช้บุญเป็นถ้าเราหาบุญได้แล้วเราโอระเหยไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญนั้นมีแต่บางทีบาปหรือกรรมมันบังท่านคงเคยได้ยินถ้าจะไม่ให้บาปอา k u s o หรือกรรมมันบังทำอย่างไร เมื่อเราบริจาคทานจงทําทานให้ครบวงจรทั้งอามิตรทานและธรรมทานอามิตรทานเข้าใจแล้วธรรมทานขอย้ําอีกนิดหนึ่งปฏิบัติเองชักนําผู้อื่นให้ปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นนี่สามประการเป็นอย่างน้อยเมื่อปฏิบัติเองก็ปฏิบัติอะไรปฏิบัติในทานในศีล ในสมาธิในปัญญาเพื่อไปสู่วิมุตติและวิมุตติยานทัศนะทางตรงและทั้งฐานศีลภาวนาซึ่งเป็นธรรมเครื่องกำจัด ก, กิเลสเตแห่งทุกข์ทั้งหลายและเป็นธรรมที่จะส่งผลให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขทั้งด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติทำอย่างไรอยู่ที่ไหนได้กล่าวไว้แล้ว อยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุทำเดิมเมื่ออยากจะให้บุญนั้นบริสุทธิ์อยู่เสมอและบุญนั้นส่งผลแก่เราเต็มที่ทั้งบริสุทธิ์และสมบูรณ์จงเอาใจไปจดที่ทะเลบุญทะเลบุญอยู่ที่ไหนตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุทำเดิมจดแล้วเป็นอย่างไรบุญหยาบจะเริ่มเห็นได้เป็นดวงใส ด้วยทานกุศลและถ้าจดละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปจะเห็นบารมีจะเห็นอุ ป, ปบารมีจะถึงไม่ใช่เห็นอย่างเดียวเห็นด้วยถึงด้วยบุญแล้วก็บารมีอุ ป, ปบารมีปรมัตบารมีที่อยู่ตรงกลางของกลางกําเนิดธาตุธรรเดิมของเราทุกกายสุดหยาบสุดละเอียดแต่การที่เอาใจไปจดตรงนั้นได้ก็ด้วยศีลเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรม ฝ่ายบุญกุศลแล้วกายวาจาใจของเราบริสุทธิ์แล้วก็จะถึงศีลบ ร, ริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานอยู่ตรงกลางกําเนิดธาตุธรรเดิมอีกเช่นกันกลางดวงบุญน่นแหละเพราะมีศีลศีล น, นั้นคือความบริสุทธิ์เจตนาความคิดอ่านทั้งหลายทางใจกายวาจามันก็บริสุทธิ์ตามด้วยแล้วกลางดวงศีลมีอะไรบริสุทธิ์อีกไหมมีธรรมปฏิบัติที่บริสุทธิ์อีกคือจิต บริสุทธิ์หรือเรียกว่าจิตยิ่งหรือสมาธิยิ่งกลางดวงสมาธิหละเป็นดวงปัญญากลางดวงปัญญาเป็นวิมุตตกลางวิมุตตเป็นวิมุติยานทัศนะกลางวิมุตติยานทัศนะถึงกายสุขติของเราพบสุขติของเราด้วยมนุษยธรรมคือบุญยู่ตรงกลางนั่นแหละเมื่อเราจรดให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอแล้ว บุญย่อมส่งผลเพราะของละเอียดยิ่งละเอียดเข้าไปเท่าไรด้วยบุญด้วยบารมีของมนุษย์ละเอียดเข้าไปของคลิปของเราเองและละเอียดเข้าไปของพรหมของอรูปพรหมจนถึงธรรมกายคือกายธรรมเจริญด้วยบุญบารมีรัศมีกําลังฤทธิ์ยิ่งขึ้นสุดละเอียดเข้าไปเท่าไหร่สุดละเอียดเราเชื่อมถึงบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกําลังฤทธิ์ได้เท่าไหร่ย่อมส่งผล มาตามภาคผู้เลี้ยงผู้สอผู้ส่งผู้สั่งผู้บังคับผู้ปกครองต้นๆไม่ใช่มาตามมาจากมาจากภาคผู้เลี้ยงผู้สอดผู้ส่งผู้สั่งผู้บังคับผู้ปกครองต้นๆในอายตนานิทานส่งผลมาเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขกายหยาดคือกายมนุษย์ให้กรอบด้วยเป็นผู้มีสติมีปัญญาอันเห็นชอบ ให้ดำเนินชีวิตไปสู่ทางเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขไม่ดำเนินไปในทางเสื่อมสาธุชนก็ได้รับฟังสารธรรมจากธรรมะบรรยายเรื่องหาบุญได้ใช้บุญเป็นโดยหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยมังคโลผ่านไปแล้วซึ่งเป็นตอนที่สองเป็นตอนจบสำหรับธรรมะบรรยายในเรื่องนี้สำหรับรายการธรรมะสู่สันตินั้นได้นาเสนอธรรมะบรรยายที่เป็นประโยชน์ แก่สาธุชนเป็นประจำญาติโยมผู้ฟังรายการที่ติดตามรับฟังเป็นประจำก็คงจะได้คุ้นเคยกับเสียงธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลซึ่งเป็นองค์ปาตกถานําความรู้มาสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำสําหรับก่อนจากกันในวันนี้ทางรายการธรรมสุนติขอนําพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน อภิสันธนสูตรพระไตรปิฎ ก, กเล่มที่19หน้าที่452หซึ่งมีความว่าปุญญาพิสันโทอุสลาพิสันโทสุขัดสาหาโรแปลความเป็นภาษาไทยได้ความว่าห่วงบุญและห่วงกุศลเป็น เ, เป็นเหตุให้เกิดความสุข สำหรับผู้ที่ประกอบบุญคุณงามความดีผลก็จะทำให้เป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตดังที่เราเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันก็จะเห็นว่าบางท่านเกิดมาก็มีความสุขตั้งแต่เด็กนะต่างกับบางคนพอเกิดมาก็ต้องมีความพลัดพรากมีความทุกข์ทรมานต่างๆเพราะว่านั่น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 ทุกคนทื่นเจริญพร